คือการสูญเสียโอกาสที่จะแก้ไขปรับปรุงตนและการดัดแปลงแต่งแก้กระบวนวิธีที่จะทําผลให้สำเร็จตามต้องการหรือหนักกว่านั้นอาจพานพาโลด้วยโทรศัทํากรรมร้ายอื่นที่มีผลเสียรุนแรงยิ่งขึ้นอย่างไรก็ดีท่านยอมรับว่ากระบวนการให้ผลของกรรมนี้เป็นเรื่องละเอียดซับซ้อนยิ่งพ้นวิสัยแห่งความคิดไม่อาจคิดให้แจ่มแจ้ง บาลีจัดเป็นอจินไตคือสิ่งที่ไม่พึงคิดอย่างหนึ่งอจินไตมีสอย่างคือพุทธวิสัยชาณวิสัยกรรมวิบากและโลกะจินตาโลกะจินตาหมายถึงการคิดปัญหาอภิปรัชญาเกี่ยวกับต้นกําเนิดของโลกหรือการสร้างโลกกรรมวิบากหรือกระบวนการให้ผลของกรรมก็เป็นหนึ่งในอาจินไตนี้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 ก็ไม่ใช่เป็นเพราะพระพุทธเจ้าหรือใครลงโทษหรือทำให้บ้าแต่ผู้คิดเป็นบ้าไปตามธรรมดาของเขาเองเพราะคิดอัดอั้นตันวุ่นไปถึงแม้จะเป็นอจินไต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะแตะต้องไม่ได้แง่ที่เราเกี่ยวข้องได้ก็คือเกี่ยวข้องด้วยความรู้และเท่าที่เรารู้แล้วมีความมั่นใจตามแนวความรู้นั้น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 และให้เกิดความมั่นใจในความเป็นไปตามธรรมดาแห่งเหตุปัจจัยเมื่อเข้าใจความเป็นไปส่วนย่อยในช่วงสั้นอย่างไรก็พอมองเข้าใจความเป็นไปช่วงยาวไกลได้อย่างนั้นเพราะความเป็นไปช่วงยาวนั้นก็สืบไปจากช่วงสั้นและประกอบด้วยช่วงสั้นนี้ขยายออกไปนั่นเองถ้าปราศจากช่วงสั้นซิแล้วช่วงยาวจะมีหาได้ไหมอย่างนี้เรียกว่า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 แม้แต่งานประดิษฐ์สร้างสารรค์ภายนอกนักประดิษฐ์หรือสร้างสารรค์ผู้ฉลาดย่อมจะไม่คํานึงถึงเฉพาะแต่เนื้อหาแห่งความคิดปรุงแต่งหรือเจตจํานงของตนเพียงอย่างเดียวแต่ย่อมคํานึงถึงปัจจัยหรือองค์ประกอบฝ่ฝายนิยางอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยเช่นช่างใช้ความวิ จ, จิตรแห่งเจตจํานงออกแบบบ้านไม้หลังหนึ่งอย่างสวยงาม เมื่อเอาแบบในความคิดนั้นออกมาสร้างเป็นบ้านจริงในโลกแห่งวัตถุก็ต้องคำนึงด้วยว่าจะใช้ไม้ชนิดใดสำหรับส่วนใดมีไม้เนื้อแข็งเนื้ออ่อนเป็นต้นหากที่ควรใช้ไม้เนื้อแข็งกลับใช้ไม้ ช, ำช้ำฉาแม้ว่าแบบที่ออกไว้จะสวยงามปานใดบางทีก็อาจพังเสียก่อนไม่สำเร็จประโยชน์ที่จะได้ใช้เป็นบ้านตามประสงค์หรือแบบที่คิดปรุงแต่งออกไว้ควรจะสวยงาม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 หรือจเจริญเข้าสู่ภาวะดีงามสูงสุดของมันอยากให้ทมแพร่หลายออกไปทั่วทุกหนทุกแห่งดังนี้เป็นต้นทั้งนี้เพราะว่าถ้าตราบใดคนยังขาดกุศลฉันทะหรือธรรมฉันทะและมีแต่ความโลภต่อผลที่ดีในแง่โลกธรรมอย่างเดียวเขาก็จะพยายามเล่นตลกกับกรรมนิยามหรือพยายามหลอกลวงกฎธรรมชาติอยู่เรื่อยไปความจริง เขาหลอกกดธรรมชาติไม่ได้แต่เขาหลอกตัวของเขาเองนั่นเองและความพยายามที่จะเล่นตลกหรือหลอกลวงนั้นก็จะก่อให้เกิดผลร้ายทั้งแก่ชีวิตของตนเองแก่สังคมและแก่มนุษยชาติทั้งหมดอย่างไม่มีที่สิ้นสุด